นายกเจริญพรนะักรรมาเจ้าหน้าที่ศรัทธานะทุกๆคนนักของโรงพยาบาลระยองทั้งยมหมอยมพยาบาลแลนะก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนก็ซึ่งวันนี้พวกเราก็ในทตั้งใจที่จะมาศึกษาในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ประจําวันของเราในการปฏิบัติหน้าที่นัในการงานก็ดีหรือว่าเมื่อเราอยู่ที่บ้านก็ดีนั่นแนละนะสิ่งที่ทําให้เราจิตใจของเราเป็นทุกข์นะทุกวันนี้ก็เพราะว่าความเห็นของเรานั้นไม่ถูกต้องถ้าความเห็นของเรานี้ถูกต้องดีงามเป็นสัมมาทิฏฐินะตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่จิตใจของเรานั้นจะมีความทุกข์น้อยลงเพราะการปฏิบัติธรรมนี้จึงมีอนิสงส์มากทีเดียวแเพราะพวกเราก็เป็นชาวพุทธเนี่ย ก็จะมีการทําบุญการทาทานนี้เป็นปกติหรือว่ามีศีลเป็นปกติน่ะเมื่อเรามีทานมีศีลเป็นปกติแล้วนี่นสิ่งที่สำคัญนั่นคือการฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธินี้ก็แปลว่าความตั้งใจมัน่นตั้งใจของเราให้มัน่นสมาธิใน ขั้นธรรมดาที่พวกเราได้ใช้ชีวิตกันอยู่นี้ก็มีความตั้งใจมั่นอยู่ในการเรียนก็ดีในการทำหน้าที่การงานก็ดีนะก็มีสมาธิทั้ทงนั้นแต่สมาธิที่สูงขึ้นไปเพื่อจะฝึกจิตให้สงบนั้นนะใหพวกเราเนี่ยกำหนดอารมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมของใจ เพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยใจนี่ไม่ได้อยู่นิ่งเลยจะนึกคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตอยู่เสมอเมื่อเราจะตั้งว่าให้สติของเราเนี่ยมาอยู่ในปัจจุบันนะเช่นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสติของเราก็ไม่เคยอยู่ นึกคิดปรุงแต่งไปถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดหรือไม่มาปฏิบัติแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะความคิดนึกปรุงแต่งนี่นจะมากขึ้นมากขึ้นจนจิตของเรามันก็เกิดความวุ่นวายองค์สมเด็จพระสัสดา<ม>พระาาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบว่าวิธีการที่จะให้จิตของเราสงบนั้ น, นก็คือการกําหนดรู้อรมณ์ให้ใจเข้าออกนี้เป็นอารมณ์ หรือว่าเป็นมงกุรของกรรมฐานทั้งหลายให้เรานั่งสมาธิตามสบายก็ได้นะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้านั้ไม่ต้องบันมมือก็ได้ในเวลานี้ให้เราทําสมาธิไปพร้อมในการฟังธรรมด้วยนะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วเราไม่ถนัดเราจะนั่งพับเพียบก็ได้ตามสะดวกหรือที่เรานั่งอยู่ที่เก้าอี้ก็ กําหนดรู้ลมหายใจของเราลมหายใจเข้าให้นึกภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาว่าโทอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเนี่ยเดีย๋ยวถ้าจิตของเรายังฟุ้งซ่านมากเกินไปนะเราอาจจะวิธีวิธีการนับลมหายใจของเราเป็นคู่ย่นลมหายใจเข้าก็นับเป็นหนึ่ง ลมหายใจออกก็นับหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งคู่หรือว่าคู่ที่ห per นึ่งเนี่ยลมหายใจเข้านับสองลมหายใจออกนับสองลมหายใจเข้าสามลมหายใจออกก็นับสามเหมือนกันลมหายใจเข้าสี่ลมหายใจออกสี่ลมหายใจเข้าห้าลมหายใจออกห้าแล้วเราก็มาเริ่มต้น นับคู่แรกใหม่มาลมไปใจเข้านับหนึ่งลมไปใจออกนับหนึ่งไปถึงลมไปใจเข้าห้าออกห้าแล้วก็เพิ่มเป็นว่าลมไปใจเข้าหกออกหกแล้วก็เริ่มมาคู่ที่หนึ่งลมไปใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งะไปถึงลมไปใจเข้าหกออกหกก็เพิ่มไปทีละคู่ว่าลมไปใจเข้าเจ็ดออกเจ็ดลักษณะนับอย่างนี้จนไปถึงคู่ที่สิบ นะลมหายใจเข้าสิบออกสิบเห็นว่าการนับนี้ไม่ผิดพลาดนะมีสติได้มั่นคงดีแล้วเนี่ยนะก็มีวิธีการมานับเร็วขึ้นนะลมหายใจเข้าก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าลมหายใจออกก็นับว่าหนะึ่งสองสามสี่ห้านับลักษณะอย่างนี้เมื่อเรานับลมหายใจ นะในลักษณะนับอย่างนี้ได้คล่องแค่วดีแล้วเห็นได้ว่าเราจะไม่บังคับลมหายใจปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วเราก็เพียงรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือว่าลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนะอย่างนีนะ้ทำให้ต่อเนื่องกันแหละเราทำให้ต่อเนื่องเมื่อเราฝึก กรรมฐานใน ก, การนับเป็นคู่และการนับเร็วจนว่าเราก็รู้จักเห็นลมหายใจเข้าออกได้ชัดเจนดีแล้วเนี่ยเมื่อจิตสงบแล้วคำบริกรรมภาวนาใน ก, การนับนี้จะหายไปจุดมุ่งหมายทั้งหมดกรรมฐานที่ฝึกหัดนั้นก็เพื่อให้จิตของเรามีความสงบ จิตของเรามีความสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวในชีวิตประจำวันของเราเราก็ไม่ได้ฝึอกอย่างนี้เมืม่อไม่ได้ฝึอกอย่างนี้สติก็ดีสมาธิของเราก็น้อยเมื่อเรารับรู้อารมณ์เช่นว่าตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรดกายถูกต้องบทพร ะ, ะรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วเนี่ย จิตใจของเราก็ไม่นิ่งสงบกวัดแกงไปกับอารมณ์นะแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นเองแต่จิตนั้นก็วิ่งไปกับอารมณ์คุกเข้าไปกับอารมณ์อยู่เสมออารมณ์ที่เป็นความสุขจิตก็สุขอารมณ์ที่ตั้งเห็นความทุกข์จิตก็ทุกข์ไปด้วยนะอยู่อย่างนี้เรื่อยไปอันนี้เมื่อเรามาฝึกจิตในเบื้องต้นก็เรียกว่าเราสามารถ แยกจิตของเร า, าออกจากอารมณ์ได้อารมณ์ที่วุ่นวายอารมณ์ที่ฟุง้งซ่านลังเลยสงสัยอารมณ์ที่งุดหงิดใจอารมณ์ที่โกรธพยาบาทอารมณ์ที่ยินดีในสิ่งทั้งหลายง่วงเงาหอนอนทั้งหลายเหมือนกันจิตของเราก็แยกออกมาได้แล้วเมื่อจิตของเราแยกมาได้จิตก็สงบเป็นสมาธิตั้งมั่น เมื่อเราฝึกสมาธินี้ให้มีความชำนาญขึ้นมานะไม่ใช่เฉพาะว่าเวลาเรานั่งเราจะทำการงานอะไรเราก็มีสติการยืนการเดินการนั่งการนอนเดิมทำพูดคิดทั้งหลายเราก็มีสตินะรู้ตัวสมปัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม เมื่อเรามีสติมีสมประชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วนี่นะการปฏิบัติของเรานี้ก็จะเป็นไปแล้วก็ต้องอาศัยเวลาว่าเราจะต้องการกระทำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนุ้งบูชาจึงได้แนะนำว่าสติในเบื้องต้นนั้นเหมือนกับน้ำที่มันหยด่าจากขวดน้ำทีละหยดทีระหยด ถ้าสติของเราห่างก็เหมือนหยดน้ำนะมันยังห่างอยู่เมื่อเราหยดน้ำไม่ทีขึ้นจนว่มามากขึ้นก็เป็นสายน้ำสายของน้ำสติที่เราฝึกนี้ก็เหมือนกันในเบื้องต้นก็อาจจะขาดวักขาดตอนไปบ้างแต่เมื่อเราได้ฝึกอยู่เสมอเป็นประจำแล้วนี่นะสติจะค่อยๆต่อเนื่องเชื่อมโยงขึ้นมา จากที่เรานั่งสมาธิก็เหมือนกับว่าเราก็มาชาร์จแบตเตอรี่ของใจของเรามีกำลังมากขึ้นอารมณ์แม้ว่าจะรุนแรงอย่างไรเมื่อใจของเรามีความสงบได้ดีแล้วจะพิจารณาข้ามอารมณ์สิ่งที่เราชอบใจและไม่ชอบใจนั้นได้ใจของเราก็จะมีความสงบเงยือกเย็น แต่ถ้าใจของเราเนี่ยสติสมาธิมันไม่ดีแล้วอารมณ์แม้ว่านิดนิดหน่อยเลืกความจังขึ้นมาได้มากมายจะเป็นอันตรายต่อจิตใจของเราถ้าถ้าสำรวมระวังไม่ไม่ดีแล้วระวังกายวาจาไม่ดีแล้วศีลก็จะรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลธรรมในคุณธรรมในความดีในเบื้องต้นที่เรามีศีล ยิงเป็นพื้นเป็นฐานอย่างดีในการจะฝึกจิตนะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันจากอารมณ์ทั้งหลายเหมื่อเราว่าร่างกายของเรามีสติที่ดีแล้วก็เหมือนมีภูมิที่ดีที่คอยป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราเมื่อพวกเราเนี่ยระมัดระวังอยู่เสมอเช่นนี้ตามดูจิตของตน พระพุทธเจ้าจึงตัดว่าผู้ใดาตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมานเ ย, ยจิตตังบรเมสันเติโมคันติมาระพันธนาคือการดูแลจิตของเราเนี่ยเรามีบ้านเราก็ต้องดูแลบ้านให้มีความสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยหรือเราอยู่ที่ทํางานที่ทํางานเราก็ต้องสะอาดสะอานน่าอยู่น่าอาศัยเราก็ทํากันอยู่เป็นประจำ แต่ว่าจิตใจนี้ล่ะเป็นของสำคัญที่เดียวถ้าว่าเราไม่เคยฝึกจิตของเราแล้วไม่ชาระใจของเราให้มันมีความผ่องใสขึ้นมานะจิตของเรามันก็เป็นจิต ท, ที่โสกปกก็ย่อมจะนำความทุกข์มาให้กับตัวเองพระตถาจ้าถึงตัดในเบื้องต้นว่นส า, ะสะ า, า, าสัพปะปัสสะกรนังกุสลสูปัสสัมปทาสจิตตปฏโยธาปนัง อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าให้เรานั้นละการกระทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทําจิตนี้ให้มีความสะอาดข่าวรอบขึ้นมาเมื่อเราพยายามละบาปทั้งปวงนั้นบาปเกิดขึ้นทางกายและก็ทางวาจาเมื่อเรามีจิตที่มีเมตตากรุณามุ้ทีตาอุเบกขาประจําใจของเราแล้ว เรารักษากายวาจาด้วยดีบาปเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ทำถึงจะมีความคิดนึกปรุงแต่งเราก็ไม่ทําตามนั้นอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในขั้นของศีลธรรมเมื่อเราฝึกอยู่เสมอในขั้นของศีลธรรมได้ดีแล้วจิตก็จะสงบเป็นปกติกายสงบวาจาสงบลงได้แม้ว่าใจนั้นยังไม่สงบ ใจยังคิดโกรธคิดพยาบาทใจใจยังคิดรักคิดชังอยู่ก็าตามเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกในการพิจารณาเหมือนกันเช่นเราหลงในร่างกายของเราว่าสวยว่างามเราก็มาพิจารณาดูที่ว่านางกายของเราแท้ที่จริงพระพุทธ เ, เจ้าตัดว่าไม่งามจริงไหมเราก็คงจะได้เห็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ในร่างกายของเรานี้มีมาก แต่ว่าที่เราไม่เห็นนั้นหรือเห็นไม่ชัดก็เพราะว่าสมาธิของเรายัางไม่ตั้งมั่นสติของเรายัางไม่จดจ่อในการพิจารณาปัญญาจึงไม่เกิดเราก็มาฝึกหัดทั้งสองอย่างบางครั้งก็มาฝึกหัดพิจารณาในร่างกายนี้ก็อาเป็นาธาตุที่อาศัยกันตามที่เราเรียนรู้มาแล้วชัดแจ้งว่าขาดลมหายใจร่างกายก็ตาย ขาดน้ำมากเกินไปร่างกายเขาตายถ้าดินมันเสื่อมไปร่างกายเขาตายถ้าไฟมันหมดไปร่างกายเขาตายถ้าทั้งสี่นี้จึงประกอบรวมกันมานะที่สมมุติว่าเป็นตัวเราหรือของเราเป็นสริละยนเนี่ยเราก็พิจารณาหาความเป็นจริงโดยการพิจารณาให้จิตของเรานี้มีความสงบเพรากรรมฐานานั้นจึงเป็นได้สองลักษณะ อย่างหนึ่งนั่นก็คือการกำหนดรู้ลมรมณใจเข้าออกเป็นอารมณ์การนับเป็นคู่นับเร็วจนจิตของเราสงบหรือการพิจารณาหาเหตุหาผลในกายก้อนี้ว่ามันไม่สวยไม่งามก็ดีหรือมันเป็นก้อนท่าสีก็ดีพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็สงบเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกฝนให้ชำนาญนะฝึกฝนให้ชำนาญอยู่เสมอแล้วเนี่ย จิตของเราจะตั้งมั่นได้มากขึ้นอั น, นี้วิปัสนากรรมฐานนี้จะเกิดตรงไหนวิปัสนะก็แปลว่าการรู้แจ้งขึ้นมาการรู้แจ้งรู้วิเศษขึ้นมากรรมฐานที่จะรู้แจ้งวิเศษขึ้นมาหรือว่าวิปัสนาที่ว่าเป็นปัญญาหรือบางแห่งก็เรียกว่าเรามาฝึกวิปัสนาดีกว่าสมถะหรือว่าบางแห่งว่าเน้นมาสมถะต้องดีกว่าวิปัสนา ในความจริงแล้วลุงปูชาก็ยกตัวอย่างว่าเรายกเราหยิบมีดขึ้นมาด้ามหนึ่งก็มีทั้งด้ามมีทั้งปลายมีทั้งด้ามมีทั้งสันมีทั้งคมนะขึ้นมาก็พร้อมกันขึ้นมาไม่เว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือว่าเรามีเข็มฉีดยาเราหยิบขึ้นมาแล้วนะก็จะต้องมีด้ามมีเข็มติดกันขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราได้ฝึกสมถะมีปรสนามันก็อยู่ด้วยกันไป อยู่ด้ยวยกันต้องอาศัยเพราะว่าถ้าไม่มีสมรถะความตั้งใจมั่นวิปัสสนากรรมฐานก็จะไม่รู้ชัดรู้แจ้งขึ้นมาได้ต้องอาศัยการพิจารณาให้ควรพิจารณาจนจิตของเราสงบเมื่อสงบแล้วบางครั้งก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้นึกไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรกันเรียกว่าวิปัสสนาเกิดขึ้นรู้แจง้ง เห็นจริงในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายนี้นะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ที่ไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งอะไรเลยไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เราแต่ไม่มีการปรุงแต่งเป็นเป็นความรู้นี่เรียกว่าเป็นปัญญาอภิปสนะขึ้นมาอาจจะเกิดยานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เราเคยได้ทราบว่าอาจจะเห็นสังขารมีความเกิดดับก็เห็นชัดแจ้งในใจเห็นความเกิดดับของสังขารของรูปของนามของวัตถุสิ่งของภายนอกว่ามันมีความเกิดมีความดับมีความเสื่อมสิ้นไปเห็นสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นของที่มันกําลังจะผุพังน่ากลัวดับไปอย่างเดียวก็ตามหรือเห็นสังขารเนี่ยมันไม่สวยไม่งามมันไม่น่าจะยึดจะถือจิตใจก็วางอุเบกขาลงได้ในสังขาร เห็นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะเหมือนกับว่าเป็นเรือนไฟหไหม้ความแก่ความเจ็บความตายมันไหม้มาเสมอเราก็จะเห็นแจ้งชัดขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นญาณที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติภาวนาก็มาฐานขึ้ น, นมาได้เราก็ไม่ต้องตกใจหรือสงสัยหรือเมื่อเราได้กาหนดสติของเราได้ต่อเนื่องสมาธิตั้งมัน่นบางครั้งปีติความอิ่มใจความสุขใจเกิดขึ้นมา นะความอิ่มใจสุขใจปิติเกิดขึ้นมาได้นะจะเกิดขึ้นมาได้ความอิ่มใจหรือปิติใจนี่เกิดขึ้นมามีความสุขใจอย่างที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนเลยในชีวิตนะในชีวิตของเราเนี่ยเรามีความสุขขนาดนี้นะความสุขอันเกิดขึ้นจากที่เราฝึ ก, กจิตให้สงบนิ่งนี่เอง มันจะมีความสุขอยู่ในตัวเองได้เมื่อก่อนนะั้นเราก็จะมีความสุขจากที่เราได้รับอรู้อารมณ์ที่เราชอบใจแต่เมื่อเราพยายามมีสติอยู่อารม์ให้ใจเข้าอยู่อารมณให้ใจออกนะต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วจิตสงบนิ่งขึ้นมาหรือการพิจารณากายให้เห็นเป็นอสุภาษเป็นท่าก็ดีจิตสงบขึ้นมาแล้วจะเกิดปีติ ขนพองสยองก้าวได้คนลูกขนชันกายของเราขยายใหญ่กายของเราเบากายของเรามันสูงอาจจะขยายอยู่เต็มห้องนี้ก็ได้เรานั่งไปละเป็นความรู้สึกก็จะมีความสุขใจและก็มีความอิ่มใจอย่างมากทีเดียวมาสุขใจอิ่มใจอย่างมากนี่ผลแห่งการปฏิบัติในเรื่องของสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราฝึกอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันนะก็เหมือนกับว่า ถาวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกไม่ได้ปฏิบัติจิตในชีวิตประจําวันของเราก็ขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งจิตจะรู้สึกว่ามันหงุดหงิดใจล้วมันไม่ได้เข้าไปพักจิตเพราะแต่ละวันเราก็ทำการงานใช้สมองใช้กำลังกายนะใช้กำลังวาจาใช้กำลังใจไปมากนะจิตก็ต้องใช้ความปรุงแต่งไปมากก็มีความเหนื่อยอาจจะมีความเหนื่อยขึ้นมาแล้วไม่สงบ แต่ถ้าเราได้พักจิตอยู่ในสมาธิสักระยะหนึ่งอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนี่จิตจะสงบขึ้นมาแล้วความเหนื่อยความเมื่อยล้าตลอดทั้งวันนี้ก็จะหมดไปอา น, นิสงส์ของสมาธินี่ก็มีมากอย่างนี้แหละให้เราพยายามที่ฝึกฝนอบรมจิตของเรานะให้ต่อเนื่องแลนะเชื่อมโยงกันเพราะว่าโอกาสดีที่พวกเรานี่ นะนับถือในพระพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธได้มีโอกาสได้ฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นรัตนาอันประเสริฐแล้วแล้วใจนี้ก็เป็นของประเสริฐเนี่ยทัใจของเราดวงนี้เนี่ยไม่มาฝึ ก, กจิตแล้วถูกกิเลสอวิชชาตาัณหาอุปาทามันครอบงําเรื่อยไปมันจะเสื่อมไปเรื่อยมันจะมืดไปเรื่อยนะมันจะมืดไปเรื่อยๆ แม่ ใ, ใจของเรามืดไปนั่นแหละมันก็จะมีแต่ความทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆนับจากชีวิตนี้ตายไปแล้วอีกเราจะต้องมีพพมีชาติอีกเราจะไปไหนนะเราก็ต้องมาฝึ ก, กจิตฝึกใจของเราไว้ตั้งแต่ในปัจจุบันนี้ให้มากทีเดียวคุณงามความดีที่พวกเราส่วนมากก็ทําทานการเป็นปกติมีศรัทธารักษาศีลเป็นปกติแล้วแต่ว่าการปฏิบัติภาวนานะพวกเรานั้น ก็คงจะได้ทำกันบ้างแล้วก็จะต้องพยายามหาโอกาสหาเวลาว่ามาฝึกกันในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่พวกเรานะก็ได้มารวมกันนัดหมายกันว่าจะมาปฏิบัติธรรมชำระใจของเรานั้นนะจากอกุศลทั้งหลายให้หมดไปแล้วพยายามทำกุศลทั้งหลายนั้นให้ถึงพร้อมในใจกุศลนะัคื อ, ค, อความฉลาดนั่นเองนะความฉลาดของจิตใจ ที่เราจะสร้างคุณงามความดีมีทานมีศีลมีการภาวนายิ่งอาชีพของเราก็อยู่ในโรงพยาบาลเป็นทั้งคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนี้ก็มีโอกาสดีว่าเราก็จะได้เจริญเมตตาเจริญกรุณาช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากลาบากตลอดจนว่าเขาหายแล้วเราก็ดีใจถ้ารักษาไม่หายเป็นไปตามกรรมแล้วเราก็วางอุเบกขานะเราก็ได้เจริญพรหมวิหารสี่อยู่เสมอในใจ คราวนี้บางครั้งกําลังใจของเรามันไม่พอมันจะหงุดหงิดขึ้นมาได้เพราะคนทุกคนยากคนลําบากคนไข้ก็มีแต่จะเรียกร้องนะให้หายอย่างเดียวมีแต่ความเจ็บปวดทรมานก็อยากจะให้หายเมื่อเราทํากิจการงานไปแล้วเราก็รับรู้อารมณ์กับทุกขเวทนาของคนนี้มากทัศสติของเราไม่ได้ตั้งมัน่นก็จะเกิดอารมณ์ที่มันจะหงุดหงิดได้ก็อารมณ์ที่ไม่พอใจได้นะเพราะเห็นแต่มีแต่เรียกร้องอย่างเดียว เราก็ต้องมาฝึ ก, กจิตของเรานี้แหละในตั้งมันการปฏิบัติการงานของเรานั้นก็จะเกิดประโยชน์ไปพร้อมกับว่าใจของเรานั้นมีธรรมะก็เป็นอารมณ์ปุสลทั้งนั้นนี่แสดงว่าเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตของเราเพราะเราเห็นคนที่เจ็บนะคนเจ็บคนตายอยู่เสมอก็จะน้อมขึ้นมาพิจารณาว่าชีวิตของเราเองญาติเราเองคนที่เรารักก็จะต้องเป็นอย่างนี้ จะต้องมีความเจ็บมีความตายอย่างนี้แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็จะไม่พมาทเราก็พยายามที่จะสร้างความดีในฐานศีลภาวนาเอาไว้ในจิตใจของเหล่านีนะ้ให้มากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะการนั่งสมาธิอย่างนี้แหละพยายามฝึกทุกวันจะส่งผลให้อริยบทของเราในการเคลื่อนไหวก็มีสติได้ดีขึ้นอริยบทธรรมดาเมื่อเรารู้จัก การยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดมีสติก็จะส่งผลไปให้การนั่งสมาธิของเราดีขึ้นมาตามลำดับเมื่อเราฝึกอย่างนี้แล้วก็จะเป็นโอกาสที่จะชำระจิตของเรานั้นให้มีความขาวสะอาดได้จิตที่มันมีความเมื่อยอยู่นี้ก็เพราะอาวิชชาตนาอวทารนะมันครอบความจิตมานับชาตินับพบไม่ท่วแล้วนั่นเองนะเมื่อเราพยายามมามาฝึกมาหัชาดชาระจิตของเราจิตของเราก็จะสว่างขึ้นไปได้ เหมือนกับพระจานทร์ที่ข้างขึ้นหลนะัจากที่มืดมิดปิดบังแล้วจะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆนะจิตใจของเราจะสว่างจิตใจของเราสว่างก็เพราะว่าเราเห็นจริงรู้จริงในธรรมที่พระเจ้าให้สอนให้เรารู้ว่าเราเห็นนี่เองก็คือรูปกระนามนี่เป็นนันไดจังทุกขังอนัตตาที่ใจของเราหลงยึดหลงถือว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะสามารถทําลายความเห็นผิดทําความเห็นถูกต้องให้เกิดขึ้นนะในจิตใจของเราเฉั้นพวกเราเนี่ย มีโอกาสที่ดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาก็พยายามฝึกกิตใจของเหล่านี้แหละให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิในวันหนึ่งวันหนึ่งให้มากแล้วก็เรียนรู้ว่าจิตนี้มันเป็นอย่างไรจิตนี้คืออะไรจิตนี้ก็คือาธาตุรู้อย่างหนึ่งที่รับรู้อารมณ์เขาก็รับรู้อารมณ์เฉยๆธรรมดานี่เองแต่เมื่อรับรู้อารมณ์แล้วจิตนี้หลงไปกับอารมณ์ก็เพราะว่า อวิชชาตะนะเอาประธานมันครอบคุมจิตเอาไว้หรือว่าเป็นเจ้านายของเรานี่เองนะคอยบังคับบัญชาจิตใจของเราอยู่เสมอเราต้องการความสงบอวิชชาตะนะเอาปรานกับพาคิดวุ่นวายไม่สงบเราถึงก็มาฝึกสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องการยึดถือเลยแต่อวิชชาตะนะเอาประธานเขาก็เป็นคนยึดเขาก็นําทุกมาให้กับใจของเราอีกนะความโกรธอย่างนี้เราก็ไม่ชอบเลยทุกคนไม่ชอบความโกรธความพยาบาท แต่ว่าวิชาธนอวบทานมันก็ฝึ ก, กจิตของเรามาอย่างนั้นนะทำให้เราโกรธง่ายพยาบาทง่ายทำให้เราหลงลักไปง่ายนะถ้าเราไม่มาฝึกแล้วนะเราปล่อยไปตามความรู้สึกมันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่โทษอย่างเดียวนี่ไอตัววิชาธนอวบทานนี้แหละมันจึงหลอกลวงจิตใจของเราทำแต่ใจของเราให้พบกับความทุกข์อยู่เสมอไม่เคยทาจิตใจของเราให้มีความสุขความสงบได้เลย พระเจ้านั้นจึงสอนว่าธรรมะธรรมะนั้นมิจะจะทําใจของเรานั้น่ะให้มีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็ยนเป็นที่พึ่งที่พิงได้เพราะฉะนั้นในโลกนี้เราศึกษาปฏิบัติมาแล้วเราก็มีการงานทํากันมาแล้วแต่ว่าทําไมใจของเราจึงเป็นทุกข์อยู่อีกทําไมใจของเราเนี่ยมันไม่สงบทําไมใจของเรามันจะวุ่นวายเออไม่พบกับความสงบก็เพราะว่าอวิชชาธนาอุปทานนี่เองแหละมันเป็นคนที่ครอบ ควบจิตใจไม่ใช่ธรรมะถ้าธรรมะครอบคุมใจของเราแล้วใจของเราจะมีแต่ความร่อมเย็นเป็นสุขจึงใ น, นว่าเราจะต้องมาสแสวงหาธรรมสแสวงหาธรรมที่เป็นฝ่ายกุศกลธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลก็ละธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลก็บำเพ็ญธรรมที่ทำจิตของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงก็คือปัญญาก็พยายามสแสวงหาโดยการฝึกฝนอบรมนะโดยที่วันนี้ก็เรียกว่าคณะพวกเราก็มาเจริญสมาธิภาวนา นักปฏิบัติก็พยายามฝึกฝนและก็บอบรมจิตใจตลอดจนว่าจากนี้ไปแล้วกลับไปบ้านอีกก็พยายามฝึกพยายามหาโอกาสหาเวลานะเมื่อเราได้มีโอกาสมีเวลาหรือไปวัดบ้างนะศึกษาปฏิบัติพยายามภาวนาให้ต่อเนื่องหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ทําบ้านของเราให้เป็นวัดพิจารณาอยู่เสมอนะน้อมมาเป็นธรรมะน้อมเข้ามาเพื่อพิจารณาแล้วนั่นแหละใจของเราจะสุขสงบได้ ก็ขอให้เจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้าให้จิต ใ, ใจเจริญในบุญในกุศลทุกกานทุกทุกท่านเถิดก็ในโอกาสต่อไปเราจะนั่งสมาธิต่อมาได้ยังไงให้ธรรมะพอสมควรนะจะนั่งสมาธิอีกสักครึ่งชัง่วโมง นั่งซิกซ์ครึ่ชงชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมีธามาก็เลยเอานิ ม, มนต์พระอาจารย์มาลหลายรูปด้วยเพราะว่าโอกาสต่อไปธารมาเกิดว่าช่วงกี่ยวหวมาไม่ได้ก็จะได้นิ ม, มนตนะ์พระอาจารย์้มชายนะพระอาจารย์นิวัฒน์มาเทศบ้างหรือว่าพระอาจารย์ศิรัสมาเทศนะ อบรมเปลี่ยนไปบ้างบางทีฟังองค์เดียวแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าคุ้นเคยอาจารย์พูดคําแรกก็รู้หมดจะจบยังไงมัน <c oughs> อาจะคุ้นเคยนะเงั้นก็จะได้ฝึกหนะัปฏิบัติจะได้มีอาจารย์ประเทศลหลายองค์แล้วก็อาตมาก็มาประเทศให้ก่อนในวันนี้แตเดี๋ยวโยมก็นั่งสมาธิสักในครึ่ชงชั่วโมงแล้วมีปัญหาวันนี้จะให้พระชมชยัยตอบปัญหานะตอบปัญหา สวนตามาก็ตามาก็จะต้องเดินทางกลับก่อนนักกลับสก่อนวันนี้นะกิ่ให้พรโยมทุทกๆคนเนี่ยพิวาธนะศีลิสันิจังวุธาพระชายิโนจัตตะโลธรรมะทันติอายุวันโนสุขังพระลังนั่งสักขึ้นชั่วโมงนะแล้วก็ปัญหาก็เดี๋ยวถามท่านนะ